อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ถ้าไม่มีหลวงพ่อเขียนตั้งแต่เมื่อสี่สิปีที่แล้วเนี่ยป่าสุโกโตก็อาจจะหดหายนะไม่มีความเป็นป่าอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะเพราะว่าสมัยนะ่าสามสิบสี่สิบปีที่แล้วก็มีการบุกรุกแผ้วถางมีการลักลอบตัดไม้แล้วก็มี ภยัยคุมคามอย่างอื่นเช่นไฟนะหลวงพ่อท่านก็ช่วยเรียกว่าเป็นหัวเรือร่องหัวแรงเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ป่าพื้นนี้เอาไว้นะจนเป็นที่ที่เราได้มาบาเพ็ญภาวนานได้อย่างสงบสุขแล้วก็เงียบสงันะรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพอสมควรหลวงพ่อเขียนเป็นพระที่มีหลายมิตินะ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 หลวงพ่อท่านไปดูแลนะจริงท่านขึ้นมาที่นี่ก็เพื่อจะจ ะ, จะจะมาอยู่วัดป่าสุขโตนั่นแหละตั้งแต่ปีหนึ่งเกแต่ตอนหลังโยมที่ทามาไฟนิมนต์ให้ท่านไปช่วยนะเป็นเจ้าวาที่นั่ น, นตั้งแต่ปีสองศสองหนึ่งเนี่ยท่านก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณสี่ห้าปีจึงค่อยกลับมาที่นี่ปีสองห้า ในช่วงที่อาจมารู้จักหลวงพ่ออมเขียนก็ท่านเป็นเจ้าวาดพระภูเขาทองแล้วก็มีงานหนึ่งที่ท่านเอาใจใส่ามากนะนอกจากสอนชาวบ้านแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีความสมัครใกันเลิกทะเละาะเบาะแวง้งงานนั้นคืองานศูนย์เด็กนะตอนที่ท่านจัดตั้งศูนย์เด็กเมื่อปีสองหนึ่งเนี่ยท่านไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นศูนย์เด็กแข่งแรกของจังหวัดชายภูมิ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 อสอนกรรมาฐานที่แรกก็ท่า น, นคงอยากจะสอนชาวบ้านนะนะเพราะว่าชาวบ้านนี่ไม่ค่อยมีโอกาสเป็นคนในเมืองอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่ า, าส่วนใหญ่เนี่ยคนในเมืองจะหา่างเหินพระแต่ว่าพอมีวัดสนามในมีวัดโม่เนี่ยมันก็เป็นที่ที่คนในเมืองจะได้มาปฏิบัติธรรมท่านก็นึกว่าเนี่ยอยากจะให้คนในชนบทนะพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ย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 หลวงพ่อท่านเอ่อจะเรียกว่าชุดท่านเปลี่ยนเพราะกรรมฐานก็ว่าได้นะก่อนที่จะมาบวชพระเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยคือเมื่อปีหนึ่งศูนย์เนี่ยคือห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านเป็นหมอธรรมนะเป็นหมอธรรมนะหน้าที่ของหมอธรรมเนื้อคือขับไล่ผีนะจับผีนะหรือว่าปัดปัดลังควานนะปอยนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเวทมนต์คาถา และที่ท่านเป็นหมอลำหรือหมอธรรมหรือว่าถ้าผู้ปราชาชาวบ้าน ง, ง, ง่ายๆคือหมอไล่ผีเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าท่านมีความาความรังเกียจผีมากเพราะว่าทำให้ลูกพีลูนงของท่านตายนะชาวบ้านสมัยนั้นก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะผีทำหมอจะขับไล่อย่างไรก็ไล่ไม่สำเร็จนจนเด็กตายเนี่ยท่านก็เลยแค้นก็เลย อ่ะเป็นหมอทำ self เองเลยนะทำหน้าที่หน้าเทียนหนึ่งคือไล่ผีแต่ว่าก็ามีใจโน้มเอียงไปในทางธรรมะมั้ยไงเพราะเคยบวชเนรเพราะได้ข่าวว่าหลวงพ่อเทียนมีภาพรูปนึงชื่อหลวงพ่อเทียนเนี่ยสอนภาวน า, าที่น่าสนใจนะอยู่ที่จังหวัดเลยท่านก็เลยอยากจะไปเรียนรู้ตอนที่ไปเรียนเนี่ยท่านก็อึดอัดนะเพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ย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 มันจะนําไปสู่ภาวะที่หลวงพอ่อเห็นใช้ว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งต้องอธิบายมากใครที่ศึกสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตยอยู่ก็ท่านก็ไม่ยให้จัดกิจกรรมอะไรมากมายนะแม้กระทั่งท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยก็คิดว่าเราก็ควรจะทําตามสิ่งที่ท่านสอนนี่คือว่าไม่ต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต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 ก็เลยทําอะไรไม่ได้มากไม่มากมันก็ที่สุกโตแต่เราก็สืบทอดเจตนาลงของท่านคือรักษาป่าที่นั่นเอาไว้ก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีนะวันวันที่วันคร้าวันเกิด อ, องท่านนะเราก็ไปทําให้ต้นไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมากๆากนะทำให้ป่าเจริญงอกงามเยอะๆนะเป็นการนะสนองเจตนาลงของท่านนะวันนี้เราก็จะไปปลูกป่ากันนะตั้งแต่เช้า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 เราจะทํามาช่วยกันทำให้ความหลงเนี่ยมันดับไปนะไม่ใช่ความหลงของใครความหลงในใจเราสิบสองสิงหาเนี่ยเรามีกิจกรรมตอนเช้าหรือกลางวันนะส่วนยี่สิบสามสิงหาเนี่ยนะเรามาทํากิจกรรมกลางคืนกันนะตั้งแต่ยีสิบสองสิงหาเนี่ยปฏิบัติข้ามคืนจนกระทั่งไปอา่าถึงทําวัดเช้ายี่สิบสามสิงหาซึ่งเป็นวั น, วนมรณภาพของท่านสองอย่างที่สําคัญทั้งคู่นะนะ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 อาชานียกบุญเท่านี้นะเอกากราบพระ